วิธีฝึกสมาธิในชีวิตประจาวันชีวิตคือการทำงานแม้ยามหลับจิตก็ยังทำงานสิ่งทั้งหลายคือธรรมะธรรมะก็คือชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมทั้งปวงเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นพื้นฐานที่ให้รู้ว่า ทุกสิ่งมันมีอยู่มีความเปลี่ยนแปลงแสดงความจริงให้ปรากฏตลอดเวลาการศึกษาธรรมคือศึกษาให้รู้ความจริงของชีวิตรู้ทันสภาวะธรรมคือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในจักรวาลทั้งหมดสิ่งทั้งหลายนั้นคือธรรมะด้านสภาวะธรรม ที่แสดงความจริงให้เรารู้อยู่ตลอดเวลามีปรากฏการขึ้นท่งตัวอยู่และก็สลายตัวนี่คือธรรมชาติที่ต้องศึกษาต้องกำหนดให้รู้ทันตามความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายและความนึกคิดในใจ สิ่งที่มันผ่านเข้าออกอยู่นี้มีจิตใจของเราเป็นผู้รู้ตากับรูปหูกับเสียงเป็นต้นทั้งหมดแม้แต่จิตผู้รู้ก็ล้วนเป็นสภาวาธรรมคือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ดังที่ปรากฏให้เรารู้เห็นกันอยู่นี้นักศึกษาปฏิบัติธรรมต้องเอาสภาวาธรรมเหล่านี้มาเป็นเครื่องรู้ของจิต เครื่องระลึกของสติเอาใจมารู้ทำสติกับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาจึงได้ชื่อว่ามีการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาสิ่งใดที่สามารถรู้ด้วยจิตหรือสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอารมณ์อันเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติได้ จึงเอามาเป็นอารมณ์ปฏิบัติกรรมฐานได้กรรมฐาน40กองตามแบบแผนที่สืบทอดกันมานั้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้เลือกให้เหมาะสมกับแต่ละคนถ้าเข้าใจหลักของการหาสิ่งให้ใจยึดเพื่อทําความสงบในเบื้องต้นจะสามารถประยุกต์วิธีการที่เหมาะกับแต่ละคนที่มีความถนัดต่างกันได้โดยเฉพาะหากดูลมหายใจ หรือบริกรรมตามแบบแผนแล้วไม่เห็นผลทำจิตสงบไม่ได้เช่นคนเป็นแพทย์นำวิชาการที่เรียนมาแล้วมาเป็นเครื่องพิจารณาของจิตได้คลายการทบทวนความรู้โดยยกเป็นหัว ข, ข้อขึ้นมาตั้งเป็นปัญหาแล้วคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการบริกรรมคำใดก็ตามก็คือความคิดเหมือนกัน ตัวอย่างในพระไตรปิฎกช่างไม้ใช้การถากไม้เป็นอารมณ์กรรมฐานบางคนพิจารณาชีวิตตัวเองกับการทอผ้าต่างก็สาเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยการพิจารณาจากงานที่ตนถนัดในชีวิตประจำวันการใช้สติปัญญาพิจารณาเมื่อจิตสงบทำให้เกิดปีติมีความสุข มีสมาธิเช่นเดียวกับการบริกรรมภาวนาแต่จิตจะเดินวิปัสสนาได้เร็วกว่าการปฏิบัติสมาธิต้องให้สัมพันธ์กับงานและชีวิตประจําวันพึงระวังการบริกรรมเช่นในการขับรถเมื่อจิตสงบลงไปอยู่กับพุทโธไม่มีสติสัมปชัญญะอยู่กับการขับรถ อาจเกิดอุบัติเหตุได้ควรฝึกให้สติรู้ตามความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันกำหนดให้รู้ทันว่ากำลังยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดและคิดเวลาต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับงานก็ทำสติคิดให้มันจดจ่อลงให้ชัด ทำอะไรก็ทำสติอยู่กับสิ่งนั้นทำสติอย่างเดียวเป็นการปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เกิดพลังจิตมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจําวันกับงานที่เราทําอยู่โดยเอาเรื่องของชีวิตประจําวันเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ มายเหตุผู้อ่านหลวงพ่อพุธ ท, ท่านเคยเล่าไว้ถึงการสอนทหารทำกรรมฐานโดยให้จินตนาการถึงการถอดปืนและประกอบเข้าไปใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาคุ้นชินและจำภาพได้ง่ายจิตจึงสงบทำสมาธิได้ง่ายขึ้นนับเป็นกุสโลบายที่เหมาะสมกับแต่ละคนแตกต่างกันไปนะครับซึ่งถ้าเข้าใจหลักเราก็สามารถประยุกต์วิธีนี้มาใช้กับตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการนำบทสวดพุทธคุณมาแปลในใจและน้อมระลึกพิจารณาถึงพระคุณแต่ละข้อซึ่งอาจทำให้สงบได้เร็วกว่าท่องพุทโธเฉยยิ่งถ้าเข้าใจพระคุณโดยละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดปีติจากการซึ้งในพระคุณมากขึ้นเท่านั้นหลักของสมาธิคือความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิตละคนอาจมีวิธีนึกคิดพิจารณา ที่ส่งให้จิตสงบเป็นสุขเป็นกุศลผ่องใสได้ง่ายแตกต่างกันไปซึ่งเราอาจประยุกต์ไปใช้สอนเด็กเล็กให้ทำสมาธิอย่างง่ายคือให้นึกถึงภาพหน้าพ่อแม่ยอ้อนนึกไปว่าในแต่ละวันท่านทำอะไรให้เราบ้างทำกับข้าวอะไรรีดผ้าอาบน้ำกวาดบ้านทำงานบ้านทำอะไรให้แค่ไหนถ้าไม่มีท่านทาให้เราจะเป็นอย่างไร เราจะลำบากกว่านี้แค่ไหนแต่วิธีนี้ก็ต้องอาศัยคนจุงสมาธิพูดน้อมนำให้เด็กพิจารณาตามด้วยหรืออาจจะให้นั่งหลับตานึกถึงอักษรทีละตัวตั้งแต่กอไก่เรื่อยไปหรือเป็นตัวเลขที่อาจเพิ่มด้วยการจินตนาการว่ากำลังลากเส้นเหมือนเขียนหนังสือในอากาศถ้าเข้าใจหลักในการหาสิ่งให้จิตยึดเราจะมีวิธีหากุสโลบายให้ตัวเอง หรือสอนเด็กให้ฝึกสมาธิเบื้องต้นได้ง่ายขึ้นนะครับ